กวาระว่าด้วยหมวดส 1. อาบัตที่เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงพระชนอยู่ภิกษุจึงต้องเมื่อปรินิพานแล้วไม่ต้องมีอยู่ 2. อาบัติที่เมื่อพระผู้มีพระภาคปรินิพานแล้วภิกษุจึงต้องเมื่อทรงพระชนอยู่ไม่ต้องมีอยู่ 3. อาบัติที่เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงพระชนอยู่ก็ดีปรินิพานแล้วก็ดี ภิกษ<ฤร rage>ุก็ต้องมีอยู่ 1. อาบัติที่ภิกษุต้องในการไม่ต้องในเวลาวิการมีอยู่ 2. อาบัติที่ภิกษุต้องในเวลาวิการไม่ต้องในการมีอยู่ 3. อาบัติที่ภิกษุต้องทั้งในการทั้งในเวลาวิการมีอยู่ 1. อาบัติที่ภิกษุต้องในกลางคืนไม่ต้องในกลางวันมีอยู่ 2. อาบัตที่พิสุต้องในกลางวันไม่ต้องในกลางคืนมีอยู่ 3. อาบัตที่พิสษุต้องทั้งในกลางคืนทั้งในกลางวันมีอยู่ 1. อาบัตที่พิสษุมีพรรษาสิบจ cool. ึงต้องมีพรรษาหย่อนสิบไม่ต้องมีอยู่2ออาบัตที่พิสษุมีพรรษาหย่อนสิบจึงต้องมีพรรษาสิบไม่ต้องมีอยู่ 3. อาบัตที่พิสษุทั้งมีพรรษาสิบ มีพรรษาหย่อนสิบก็ต้องมีอยู่ 1. อาบัติที่ภิกษุมีพรรษา5จึงต้องมีพรรษาหย่อน5ไม่ต้องมีอยู่ 2. อาบัติที่ภิกษุมีพรรษาหย่อน5จึงต้องมีพรรษา5ไม่ต้องมีอยู่ 3. อาบัติที่ภิกษุทั้งมีพรรษาห้ทั้งมีพรรษาหย่อน5ก็ต้องมีอยู่ 1. อาบัติที่ภิกษุมีจิตเป็นกุศลจึงต้อง มีจิตเป็นอกุศลไม่ต้องมีอยู่ 2. อาบัตที่พิสุมีจิตเป็นอกุศลจึงต้องมีจิตเป็นกุศลไม่ต้องมีอยู่ 3. อาบัตที่พิสุมีจิตเป็นอพยกฤิตจึงต้องมีอยู่ 1. อาบัตที่พิสุพรั่งพร้อมด้วยสุขเวทนาจึงต้องมีอยู่ 2. อาบัตที่พิสุพรั่งพร้อมด้วยทุกเวทนาจึงต้องมีอยู่ 3. อาบัตที่พิสุขพร้อมพร้อมด้วยอทุกขมสุขเวทนาจึงต้องมีอยู่ว่าด้วยวัตถุแห่งการโจดเป็นต้นวัตถุแห่งการโจดมีสมอย่างคือหนึ่งเห็นสองได้ยินสนึกสงสัยการจับสลากมีสมอย่างคือหนึ่งปกปิดสองเปิดเผยสกระซิบที่หูข้อห้ามมีสมอย่างคือหนึ่งความมากๆ สองความไม่สันโดษสความไม่ขัดเกล่าข้ออนุ ญ, ญาตมีสามอย่างคือ 1. ความมักน้อย 2. ความสันโดษ 3. ความขัดเกล่าข้อห้ามแม่อื่นอีกมี3าอย่างคือ 1. ความมากมากความไม่สันโดษสความไม่รู้จักประมาณข้ออนุญาตมีสามคือ 1. ความมักน้อย 2. ความสันโดษสความรู้จักประมาณ บัญญัตมี3คือ1บัญญัตสองอนุบัญญัตสาอนุปันณาบัญญัติบัญญัติแม่อื่นอีกมี3มคือ 1. สัพพะบัญญัตสองปเทศบัญญัตสาสาธารณบัญญัติบัญญัติแม่อื่นอีกมี3มคือ 1. อึ่งอารณบัญญัตสองเอกโตบัญญัตสาอุปโตบัญญัติ ว่าด้วยภิกษุ MM. โง่เขลาและฉลาดเป็นต้นอาบัตที่ภิกษุผู้โง่เขลาจึงต้องผู้ฉลาดไม่ต้องมีอยู่อาบัตที่ภิกษุผู้ฉลาดจึงต้องผู้โง่เขลาไม่ต้องมีอยู่อาบัตที่ภิกษุทั้ทงผู้โง่เขลาทั้งผู้ฉลาดก็ต้องมีอยู่อาบัตที่ภิกษุต้องในกาล ป, ปักไมต่ต้องในชุนหะปักมีอยู่อาบัตที่ภิกษุต้องในชุนหะปักไม่ต้องในกาลปกักมีอยู่ อาบัต ท, ที่ภิกษุต้องทั้งในกาลปักทั้งในชุนหปักมีอยู่การเข้าพรรษาย่อมสําเร็จในกาลปักไม่สําเร็จในชุนหปักมีอยู่ปวารณาในวันมหาปวารณาย่อมสําเร็จในชุนหปักไม่สําเร็จในกาลปักมีอยู่สังฆกิจ ท, ที่เหลือย่อมสําเร็จทั้งในกาลปักทั้งในชุนหะปักมีอยู่อาบาต ท, ที่ภิกษุต้องในฤดูหนาว ไม่ต้องทั้งในฤดูร้อนทั้งในฤดูฝนมีอยู่อาบัติที่ภิกษุต้องในฤดูร้อนไม่ต้องในฤดูหนาวทั้งในฤดูฝนมีอยู่อาบัติที่ภิกษุต้องในฤดูฝนไม่ต้องทั้งในฤดูหนาวทั้งในฤดูร้อนมีอยู่อาบัติที่สงต้องคณะและบุคคลไม่ต้องมีอยู่อาบัติที่คณะต้องสงและบุคคลไม่ต้องมีอยู่ อาบัติที่บุคคลต้องสงและคณะไม่ต้องมีอยู่สังฆอุโบสดและสังฆปวรณาย่อมสำเร็จแก่สงไม่สำเร็จแก่คณะและบุคคลมีอยู่คณะอุโบสดและคณะปวรณาย่อมสำเร็จแก่คณะไม่สำเร็จแก่สงและบุคคลมีอยู่อธิษฐานอุโบสดและอธิษฐานปวรณาย่อมสำเร็จแก่บุคคลไม่สำเร็จแก่สงและคณะมีอยู่ ว่าด้วยการปิดเป็นต้นการปิดมีสามอย่างคือหนึ่งปิดวัตถุไม่ปิดอาบัติ 2. ปิดอาบัตไม่ปิดวัตถุ 3. ปิดทั้งวัตถุทั้งอาบัตเครื่องปกปิดมีสามอย่างคือ 1. ่งเครื่องปกปิดคือเรือนไฟ 2. อเครื่องปกปิดคือน้ํามเครื่องปกปิดคือผ้าสิ่งที่ปิดบังไม่เปิดเผยไปมีสามอย่างคือ หมาตุคามปิดบังไม่เปิดเผยไป 2. มนของพวกพราหมณ์ปิดบังไม่เปิดเผยไปสมมิชาทิฏฐิปิดบังไม่เปิดเผยไปสิ่งที่เปิดเผยไม่ปิดบังจึงรุ่งเรืองมีสมอย่างคือ 1. ดวงจันทร์เปิดเผยไม่ปิดบังจึงรุ่งเรือง 2. ดวงอาทิตย์เปิดเผยไม่ปิดบังจึงรุ่งเรือง 3. ธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว เปิดเผยไม่ปิดบังจึงรุ่งเรืองการให้ถือเสนาสะนะมีสามอย่างคือ 1. ให้ถือในวันเข้าพรรษาต้น 2. ให้ถือในวันเข้าพรรษาหลังสให้ถือในช่วงพ้นจากระยะนั้นว่าด้วยอาพาธเป็นต้นอาบัต ท, ที่ภิกษุอาพาธจึงต้องไม่อาพาธไม่ต้องมีอยู่อาบัต ท, ที่ภิกษุไม่อาพาธจึงต้องอาพาธไม่ต้องมีอยู่ อาบัตที่ภิกษุทั้งอาพาทั้งไม่อาพาตก็ต้องมีอยู่ว่าด้วยงดปฏิโมกเป็นต้นการงดปฏิโมกที่ไม่ชอบรำมีสามการงดปฏิโมกที่ชอบทรมีสามปริวาสมีสามอย่างคือหนึ่งปฏิชันณ์ปริวาสสองอปฏิชันณ์ปริวาสสสุทธันตะปริวาสมานัตมีสามอย่าง คือ 1. ปฏิชันณมานัต 2. อปฏิชันณมานัตส 3. ปักขมานัตรติเฉทะของภิกษุผู้อยู่ปริวาสมี3มอย่างคือ 1. สหวาสะการอยู่ร่วมกัน 2. วิปวาสะการอยู่ปราด 3. อนาโรจนาการไม่บอกว่าด้วยต้องอาบัตภายในเป็นต้น อาบัตที่พิกษุต้องภายในไม่ต้องภายนอกมีอยู่อาบัตที่พิสษุต้องภายนอกไม่ต้องภายในมีอยู่อาบัตที่พิสูจต้องทั้งภายในทั้งภายนอกมีอยู่อาบัตที่พิกษุต้องภายในสีมาไม่ต้องภายนอกสีมามีอยู่อาบัตที่พิกษุต้องภายนอกสีมาไม่ต้องภายในสีมามีอยู่อาบัตที่พิกษุต้องทั้งภายในสีมาทั้งภายนอกสีมามีอยู่ ว่าด้วยต้องอาบัตด้วยอาการสามอย่างเป็นต้นภิกษุต้องอาบัตด้วยอาการ3ามอย่างคือ 1. ต้องทางกาย 2. ต้องทางวาจา 3. ต้องทางกายกับวาจาภิกษุต้องอาบัตแม่อื่นอีกด้วยอาการ3ามอย่างคือ 1. ต้องในทํากลางสงฆ์ 2. ต้องในทํากลางคณะ 3. ต้องในสํานักบุคคล ภิกษุออกจากอาบัตด้วยอาการ3ามอย่างคือ 1. ออกด้วยกาย 2. ออกด้วยวาจา 3. ออกด้วยกายกับวาจาภิกษุออกจากอาบัตแม่อื่นอีกด้วยอาการ3ามอย่างคือ 1. ออกในถ้ำกลางสงสองออกในถ้ำกลางคณะ 3. ออกในสำนักบุคคลให้อโมลหะวินัยที่ไม่ชอบธรรมีสมให้อโมลหะวินัยที่ชอบรรมีสาม ว่าด้วยข้อที่สงมุ่งหวังเป็นต้นสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงตัดชนิยกรรมแก่ภิกษุประกอบด้วยองค์สามคือ 1. ก่อความบาดหมางก่อความทะเละก่อความวิวาทก่อความอื้อเฉาก่ออธิกรณ์ในสงค์ 2. โง่งเขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมากต้องอาบัตกำหนดไม่ได้ 3. อยู่คลุกคลีกับครหัดด้วยการคลุกคลีกับคราหัดที่ไม่สมควร สงเมื่อมุ่งหวังพึงลงนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามคือ 1. ก่อความบาดหมางก่ออธิกรณ์ในสงส์ 2. โง่เขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมากต้องอาบัตกําหนดไม่ได้ 3. อยู่คลุกคลีกับครหัดด้วยการคลุกคลีกับครหัดที่ไม่สมควรสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงปปพาชียกรรมแก่ภิกษุประกอบด้วยองค์สามคือ 1. ก่อความบาดหมางก่อความทะเละก่อความวิวาทก่อเรื่องอื้อฉาวก่ออธิกรณในสงฆ์ 2. งโง่เขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมากต้องอาบัตกำหนดไม่ได้สปพระทุศราตระกูลพระพฤิเลวสามความพระพฤิเลวสามเขาได้เห็นและได้ยินกันทั่วสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงปฏิสารณียกกรรมแก่ภิกษุประกอบด้วยองค์สามคือ 1. ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อความอื้อเฉาก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ 2. โง่เขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมากต้องอาบัตกำหนดไม่ได้ 3. ด่าบริภาคครหัสสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามคือ 1. ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาท ก่อความอื้อเฉาก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ 2. โง่เขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมากต้องอาบัตกำหนดไม่ได้ 3. ต้องอาบัตแล้วไม่ปรารถนาจะเห็นว่าเป็นอาบัตสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงอุเคป็นิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามคือ 1. ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อความอื้อเฉากออธิกรณ์ในสงฆ์ 2. โง่เขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมากต้องอาบัตกําหนดไม่ได้ 3. ต้องอาบัตแล้วไม่ปรารถนาะจะทําคืนอาบัตสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุเคปเนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแกภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามคือ 1. ก่อความบาดม้างก่ออธิกรณในสงส์ 2. โง่เขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมากต้องอาบัตกําหนดไม่ได้ 3. ไม่ปรารถนาจัสละทิฏฐิบาปสงเมื่อมุ่งหวังพึงตั้งใจมั่นลงอุเคปนิยกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามคือ 1. ก่อความบาดหมางก่ออธิกรณในสงสองโง่เขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมากต้องอาบัตกำหนดไม่ได้ 3. อยู่คลุกคลีกับเครือขัส ด, ด้วยการคลุกคลีกับเครือขัสที่ไม่สมควรสงพึงลงโทษภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามคือ 1>, 1. เป็นอลัลฉีสองเป็นผู้โง่เขลาสามไม่เป็นปะกะตะตะสงพึงลงทั่วกิุผู้ประกอบด้วยองคศาแม้อีกอย่างคือ 1. มีศีลวิบัติในอธิศีล 2. มีอาจารวิบัติในอาจารจาร์ 3. มีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิสงพึงลงทษ่วพิุผู้ประกอบด้วยองคศาแม้อีกอย่างคือ 1. เป็นผู้ประกอบด้วยการเล่นขนองทางกาย 2. เป็นผู้ประกอบด้วยการเล่นขนองทางวาจา 3. เ, เป็นผู้ประกอบด้วยการเล่นขนองทางกายและทางวาจาสงพึงลงโทษภิกษุผู้ประกอบด้วยองศาแม่อื่นอีกคือ 1. เป็นผู้ประกอบด้วยความประพฤติที่ไม่สมควรทางกาย 2. เป็นผู้ประกอบด้วยความประพฤติที่ไม่สมควรทางวาจา 3. เป็นผู้ประกอบด้วยความประพฤติที่ไม่สมควรทางกายและทางวาจา สงพึงลงโทษภิกษุผู้ประกอบด้วยองศาแม้อื่นอีกคือ 1. เป็นผู้ประกอบด้วยการทำลายทางกาย 2. เป็นผู้ประกอบด้วยการทำลายทางวาจา 3. เป็นผู้ประกอบด้วยการทำลายทางกายและทางวาจาสงพึงลงโทษภิกษุผู้ประกอบด้วยองศาแม้อื่นอีกคือ 1. เป็นผู้ประกอบด้วยมิจฉาชีพทางกาย 2. เป็นผู้ประกอบด้วยมิจฉาชีพทางวาจา 3. เป็นผู้ประกอบด้วยมิจฉาชีพทางกายและทางวาจาสงพึงลงโทษภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามแม่อื่นอีกคือ 1. ต้องอาบัตถูกสงลงโทษแล้วให้อุปสมบท 2. ให้นิสัย 3. ให้สามนเณรอุปถากสงพึงลงโทษภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามแม่อื่นอีกคือ 1. ต้องอาบัตที่สงลงโทษ2ต้องอาบัตอื่นเช่นนั้น สต้องอาบัติที่เลวสามกว่านั้นสงพึงลงโทษภิกษุผู้ประกอบด้วยองคศามแม่อื่นอีกคือหนึ่งกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าสองกล่าวติเตียนพระธรรมสมกล่าวติเตียนพระสงฆ์ภิกษุผู้ประกอบด้วยองคศาคือหนึ่งเป็นอาราชีสองโง่เขลาสามไม่เป็นปะกระตะตะงดอุโบสถในถ้ากลางสง์สงพึงกล่าวห้ามว่า พอทีภิกษุอย่าก่อความบาดหมางอย่าก่อความทะเลาะอย่าก่อความแข่งแย่งอย่าก่อความวิวาสแล้วจึงทำอุโบสถภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามคือหนึ่งเป็นอรชีสองโง่เขลาสามไม่เป็นปะกะตะตะงดปวารณาในท่้ำกลางสงฆ์สงฆ์พึงกล่าวห้ามว่าพอทีภิกษุอย่าก่อความบาดหมางอย่าก่อความทะเลาะอย่าก่อความแข่งแยง อย่าก่อความวิวาทแล้วพึงปวารณาทรงไม่พึงให้สังฆสมมติอะไรอะไรแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามคือหนึ่งเป็นอลาชีสองโง่เขลาสาไม่เป็นปะกะตตะทรงไม่พึงว่ากล่าวแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามคือหนึ่งเป็นอลาชีสองโง่เขลาสไม่เป็นปะกะตตะ ทรงไม่พึงแต่งตั้งภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สมไว้ในตำแหน่งเฉพาะอะไรๆคือหนึ่งเป็นอลชีสองโง่เขลาสามไม่เป็นปะกะตะตะภิกษุทั้งหลายไม่พึงอาศัยภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามคือ 1. เป็นอลชีสองโง่เขลาสามไม่เป็นปะกะตะตะไม่พึงให้นิสัยแกภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามคือ1เป็นอรชีสองโง่เขลา สามไม่เป็นประกาศตตะไม่พึงให้โอกาสภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามที่ขอโอกาสคือ 1. เป็นอัลชีสองโง่เขลาสไม่ใช่เป็นประกาศตตะไม่พึงเชื่อถือคำให้การของภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามคือ 1. เป็นอัลชีสองโง่เขลาสไม่เป็นประกาศตตะไม่พึงถามวินัยภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามคือ1เป็นอัลชี สองโง่เขลาสไม่เป็นประกาศตตะภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามไม่พึงถามวินัยคือหนึ่งเป็นอลชีสองโง่เขลาสามไม่เป็นประกาศตตะไม่พึงวิสัชนาวินัยแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามคือหนึ่งเป็นอลชีสองโง่เขลาสาไม่เป็นประกาศตตะภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามไม่พึงวิสัชนาวินัย คือหเป็นอลอชีสอ ง, งโง่เขลาสาไม่เป็นปะกะตะตะไม่พึงให้คำซักถามแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามคือ1เป็นอลอชีสองโง่เขลาสไม่เป็นปะกะตตะภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามไม่พึงสนทนาวิเนียด้วยคือหนึ่งเป็นอลชีสองโง่เขลาสไม่เป็นปะกะตตะภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สาม ไม่เพงให้กุลบุตรอุปสมบทไม่พึงให้นิสัยไม่พึงใช้สามเณรโอปถากคือหนึ่งเป็นอลชีสองโง่เขลาสาไม่เป็นประกาศต ะ, ตะว่าด้วยอุโบสถเป็นต้นอุโบสถมีสามอย่างคือหนึ่งอุโบสถในวัน14บ่ค่ำสอุโบสถในวัน15บหาค่ำสามอุโบสถสามัคคีอุโบสถแม่อื่นอีกมีสามอย่างคือ หสังฆอุโบสถสองคณะอุโบสถ 3. บุคคลอุโบสถอุโบสถแม่อื่นอีกสมอย่างคือ 1. นสัตตุเทศอุโบสถ 2. ปาริสุทธิอุโบสถ 3. ามอธิฐานอุโบสถปรวรณามีสามอย่างคือ 1. นึ่ปรวรณาในวันสิค่ำ 2. องปรวรณาในวันสิบห้าค่ำ สามสมคีปวารณาปวารณาแม่อื่นอีกมีสามอย่างคือ 1. สังคปวารณา 2. คณะปะวารณา 3. บุคคลปวารณาปวารณาแม่อื่นอีกมีสามอย่างคือ 1. ปรปวารณาสามหนสปวารณาสองหนสปวารณามีพรรษาเท่ากันบุคคลต้องไปเกิดในอบาย ต้งไปเกิดในนรกมีสามจำพวกคือ 1. บุคคลที่ไม่เป็นพรหมจารีแต่ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารี 2. บุคคลผู้ใส่ความพรหมจารีผู้บริสุทธิ์ผู้ประพฤติพรหมจร์บริสุทธิ์ด้วยอพรหมจร์ไม่มีมูล 3. บุคคลผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโทษในกามไม่มีแล้วถึงความเป็นผู้หมกมุ่นเนกามทั้งหลาย อกุศลมูลมีสามอย่างคือ 1. อกุศลมูลคือโลภะสองอกุศลมูลคือโทสะสอกุศลมูลคือโมหะกุศลมูลมีสามอย่างคือ 1. อกุศลมูลคืออโลภะสองกุศลมูลคืออโทสะ 3. กุศลมูลคืออโมหะทุจริตมีสามอย่างคือ1า ก, กายทุจริตสองวจีทุจริต สามมนุยสุจริตสุจริตมีสามอย่างคือ 1. กายสุจริตสองวจีสุจริตส ม, มนุยสุจริตพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติกะโพชนะในตรกูลโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สประการคือ 1. เพื่อคมบุคคลผู้เกอ้อยาก 2. เพื่ออยู่ผาสุขแห่งเหล่าพิกสุผู้มีศีลดีงามด้วยประสงค์ว่าพวกมากๆ อย่าอาศัยฝักฝ่ายทำลายสงสามเพื่อทรงอนุเคราะห์ตรูลพระเทวทัตมีจิตถูกอสัตธรรมสามอย่างคือหนึ่งความปรารถนาชั่วสองความมีมิจฉุกสามการได้บรรลุคุณวิเศษขั้นต่ำแล้วเลิกเสียกลางคันครอบงำย่ำยีจึงไปเกิดในอบายไปเกิดในนรกดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้สมมติมีสมอย่างคือ 1>, 1. สมมุติไม้เท้า 2. สมมุติสาวแรกสมสมมติไม้เท้าและสาแรกฐานวางเท้ามีสามอย่างคือ 1. ฐานวางเท้าถ่ายอุจระ 2. ฐานวางเท้าถ่ายปัสวะ 3. ฐานวางเท้าชมระสิ่งของสำหรับถูเท้ามีสามอย่างคือ 1. ศิลาสองกรวด 3. สศิลาฟองน้ำตทกะวาระจบ หัวข้อประจำวาระอาบัติที่ต้องเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงพระชนอาบัติที่ต้องในการในกลางคืนอาบัติที่ภิกษุมีพรรษาสิบต้องอาบัติที่ภิกษุมีพรรษาห้าต้องอาบัติที่พิกษุมีกรูสุรจิตต้องอาบัติที่ภิกษุมีเวทนาต้องวัตถุแห่งการโจดการจับสลากข้อห้ามสองเรื่องข้อบัญญัติข้อบัญญัติอื่นอีกสองเรื่อง ภิกษุโงโ่เขลาการสำเร็จในกาละปักการต้องอาบัตในฤดูหนาวสังฆุโบสถสำเร็จแก่สงการปิดเครื่องปกปิดสิ่งปิดบงังสิ่งเปิดเผยการให้เถรเสานาสนะภิกษุอาพาธการงดปาติโมกปริวาสมานัตปริวาสิกะภิกษุอาบัติที่ต้องภายในอาบัติที่ต้องภายในสีมาการต้องอาบัติด้วยอาการสาม การต้องอาบัต์อื่นอีกสาการออกจากอาบัต์สการออกจากอาบัต์อื่นอีกสามอโมลหะวินัยสองอย่างตัชนิยกรรมนิยสะสกรรมปพาชนิยกรรมปฏิสารณิยกรรมโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นอาบัติเพราะไม่ทำเคินอาบัติเพราะไม่สละทิฐิการตั้งใจมั่นลงโอเคปนิยกรรมผู้มีศีลวิบัสในอธิศีลผู้ขนอง การประพฤติไม่สมควรการทำลายอาชีววิบัติต้องอาบัตต้องอาบัตเช่นนั้นการกล่าวติเตียนการงดอุโบสถการงดปวารณาสมมติว่ากล่าวตำแหน่งเฉพาะไม่อาศัยไม่ให้นิสัยไม่ให้โอกาสไม่เชื่อเถือคำให้การไม่ถามสองเรื่องไม่ตอบสองเรื่องไม่พึงให้ซักถามไม่สนทนาไม่พึงอุปสมบท ไม่พึงให้นิสัยไม่พึงใช้สามเณรอุปถากอุโบสถสามหมวดปวารณาสามหมวดผู้ไปเกิดในอบายอากุศลกุศลทุจริตสุจริตเดิกกะโพชนะอสัตถธรรมสมมติฐานวางเท้าสิ่งของถูเท้าหัวข้อตามที่กล่าวมานี้จัดเข้าในหมวดสาม เจตุกะวาระว่าด้วยหมวดสอาบัติที่พิกษุต้องด้วยวาจาของตนออกด้วยวาจาของผู้อื่นมีอยู่อาบัติที่พิกษุต้องด้วยวาจาของผู้อื่นออกด้วยวาจาของตนมีอยู่อาบัติที่พิกษุต้องด้วยวาจาของตนออกด้วยวาจาของตนมีอยู่อาบัติที่ภิกษุต้องด้วยวาจาของผู้อื่นออกด้วยวาจาของผู้อื่นมีอยู่ อาบัติที่พิกษุต้องทางกายออกทางวาจามีอยู่อาบัติที่ภิกษุต้องทางวาจาออกทางกายมีอยู่อาบัติที่ภิกษุต้องทางกายออกทางกายมีอยู่อาบัติที่ภิกษุต้องทางวาจาออกทางวาจามีอยู่อาบัติที่พิกษุหลับแล้วจึงต้องตื่นแล้วจึงออกมีอยู่อาบัติที่ภิกษุตื่นแล้วจึงต้องหลับแล้วจึงออกมีอยู่ อาบัตที่พิษุหลับแล้วจึงต้องหลับแล้วจึงออกมีอยู่อาบัตที่พิกสุตื่นแล้วจึงต้องตื่นแล้วจึงออกมีอยู่อาบัตที่พิกษุไม่ตั้งใจจึงต้องตั้งใจจึงออกมีอยู่อาบัตที่พิสุตั้งใจจึงต้องไม่ตั้งใจจึงออกมีอยู่อาบัตที่พิกษุไม่ตั้งใจจึงต้องไม่ตั้งใจจึงออกมีอยู่อาบัตที่พิสุตั้งใจจึงต้องตั้งใจจึงออกมีอยู่ อาบัติที่ภิกษุต้องอยู่จึงแสดงแสดงอยู่จึงต้องมีอยู่อาบัติที่พิกษุต้องอยู่จึงออกออกอยู่จึงต้องมีอยู่อาบัติที่พิกษุต้องด้วยกรรมออกด้วยสิ่งมิใช่กรรมมีอยู่อาบัติที่พิกษุต้องด้วยสิ่งมิใช่กรรมออกด้วยกรรมมีอยู่อาบัติที่พิกษุต้องด้วยกรรมออกด้วยกรรมมีอยู่อาบัติที่พิกษุต้องด้วยสิ่งมิใช่กรรมออกด้วยสิ่งมิใช่กรรมมีอยู่ ว่าด้วยอนริยโวหารเป็นต้นโวหารของอนริยชนมีสี่อย่างคือหนึ่งไม่ได้เห็นกล่าวว่าได้เห็นสองไม่ได้ยินกล่าวว่าได้ยินสไม่ทราบกล่าวว่าทราบสี่ไม่รู้กล่าวว่ารู้โวหารของอริยชนมีสี่อย่างคือหนึ่งไม่ได้เห็นกล่าวว่าไม่ได้เห็นสองไม่ได้ยินกล่าวว่าไม่ได้ยิน สไม่ทราบกล่าวว่าไม่ทราบสีไม่รู้กล่าวว่าไม่รู้โวหารของอนารยชนแม้อีกสี่อย่างคือหนึ่งได้เห็นกล่าวว่าไม่ได้เห็นสองได้ยินกล่าวว่าไม่ได้ยินสามทราบกล่าวว่าไม่ทราบสีส่รู้กล่าวว่าไม่รู้โวหารของอริยชนมีสี <S <S <S <S <S <s ่อย่างคือหนึ่งได้เห็นกล่าวว่าได้เห็น สองได้ยินกล่าวว่าได้ยินสทราบกล่าวว่าทราบสรู้กล่าวว่ารู้ว่าด้วยอาบัติปราชิกปราชิกของภิกษุทั่วไปกับภิกษุณีมีสป่ปราชิกของภิกษุณีไม่ทั่วไปกับภิกษุมีสี่ว่าด้วยบริขารบริขารมีสี่อย่างคือหนึ่งมีบริขารที่ควรรักษาคุ้มครอง นับว่าเป็นสมบัติของเราควรใช้สอย 2. มีบริขารที่ควรรักษาคุ้มครองนับว่าเป็นสมบัติของเราแต่ไม่ควรใช้สอย 3. มมีบริขารที่ควรรักษาคุ้มครองแต่ไม่นับว่าเป็นสมบัติของเราไม่ควรใช้สอย 4. มีบริขารที่ไม่ควรรักษาไม่ควรคุ้มครองไม่นับว่าเป็นสมบัติของเราไม่ควรใช้สอยว่าด้วยการต้องอาบัต และออกจากอาบัตเป็นต้นอาบัตที่พิกษุต้องต่อหน้าออกรับหลังมีอยู่อาบัตที่พิกษุต้องรับหลังออกต่อหน้ามีอยู่อาบัตที่พิกษุต้องต่อหน้าออกต่อหน้ามีอยู่อาบัตที่พิกษุต้องรับหลังออกรับหลังมีอยู่อาบัตที่พิกษุไม่รู้อยู่จึงต้องรู้อยู่จึงออกมีอยู่อาบัตที่พิกษุรู้อยู่จึงต้องไม่รู้อยู่จึงออกมีอยู่ อาบัตที่ภิกษุ feels, ไม่รู้อยู่จึงต้องไม่รู้อยู่จึงออกมีอยู่อาบัตที่พิกษุรู้อยู่จึงต้องรู้อยู่จึงออกมีอยู่ว่าด้วยการต้องอาบัตเป็นต้นพิกษุต้องอาบัตด้วยอาการสี่อย่างคือหนึ่งต้องทางกาย2ต้องทางวาจาสต้องทางกายกับวาจา 4. ต้องทางกรรมวาจา ภิกษุต้องอาบัตแม่ด้วยอาการอื่นอีกสีอย่างคือ1นในถ้ำกลางสงฆ์2ในถ้ำกลางคณะ3ในสำนักบุคคลสเพราะเพศเปลี่ยนแปลงภิกษุออกจากอาบัต ด, ด้วยอาการสี่อย่างคือ1ออกทางกาย2ออกทางวาจา3าออกทางกายกับวาจา4่ออกด้วยกรรมวาจา ภิกษุออกจากอาบัตแม่ด้วยอาการอื่นอีกสอย่างคือ 1. ในถ้ำกลางสงฆ์ 2. ในถ้ำกลางคณะ 3. ในสำนักบุคคลสเพราะเพศเปลี่ยนแปลงภิกษุและบุรุษเพศเดิมดำรงอยู่ในสตรีเพศอันเกิดในภายหลังพร้อมกับการได้เพศใหม่วิญญัตย่อมระงับไปบัญญัตย่อมดับไปภิกษุณีและสตรีเพศที่เกิดในภายหลัง กลับดำรงอยู่ในบุรุษเพศอันเดิมพร้อมกับการได้เพศใหม่บัญญัตย่อมระงับไปบัญญัตย่อมดับไปการโจทมีสีอย่างคือหนึ่งโจดด้วยศีลวิบัติ 2. โจทยโจดด้วยอาจาราวิบัติ 3. โจทยโจดด้วยทิฏฐิวิบัติ 4. โจทยโจดด้วยอาชีวะวิบัติปริวาสมสี่อย่างคือหนึ่งปฏิช น, นะปริวาส 2. อปฏิช น, นะปริวาส สสุดทันตะปริวาสสสมธทานะปริวาสมานัตมีสี่อย่างคือ 1. ปฏิชันณะมานัตสออปฏิชันณะมานัตสปัจขามานัตส 4. สมธทา น, นมานัตรติเฉ ท, ทะของภิกษุผู้ประพฤติมานัตมีสอย่างคือ 1. สหวาสะการอยู่ร่วมกัน 2. วิปวาสะการอยู่ปราศจาก 3. อนนาโรจนาการไม่บอก 4. อุเนคเนจรณะการประพฤตในคณะสงอันพร่องพระบัญญัติที่ทรงยกขึ้นแสดงเองมีสี่อย่างกาลิกที่รับประคนไว้ฉันมีสี่อย่างคือ 1. ยาวกาลิกเช้าถึงเที่ยง 2. ยามกาลิกวันหนึ่งกับคืนหนึ่งสสัตหกาลิกเจวัน สี่ยาวะชีวิตไม่จำกัดเวลาวันตลอดชีวิตญามหาวิกัตมีสี่อย่างคือหนึ่งคูดสองมูดสามเท่าสี่ดินกรรมมีสี่อย่างคือหนึ่งอปโลกนกรรมสองยติกรรมสามยาติทุติยกรรมสี่ยติจตุตกรรมกรร ม, มแม่อื่นอีกสี่อย่างคือ หกรรมเป็นวักโดยไม่ชอบธรรม 2. กรรมพร้อมเพรียงโดยไม่ชอบธรรมสกรรมเป็นวักโดยชอบธรรมสกรรมพร้อมเพรียงโดยชอบธรรมวิบัติมีสี่อย่างคือ 1. ศีลวิบัติ์สองอาจารยวิบัติ์สทิฏฐิวิบัติ 4. อาชีววิบัติอธิกรมีสี่อย่างคือหนึ่งวิวาธาธิกร สอนุวาาธิกรสามอาปัตตาธิกรสี่ขีจอาธิกกรการประทุษร้ายบริษัทมี4อย่างคือ 1. นภิกษุผู้ทุศีลมีธรรมซามจะเป็นผู้ประทุษร้ายบริษัท 2. ภิกษุณีผู้ทุศีลมีธรรมซามจะเป็นผู้ประทุษร้ายบริษัท 3. อุบาสกผู้ทุศีลมีธรรมซามจะเป็นผู้ประทุษร้ายบริษัทส อุบาสิกาผู้ถุสีนมีธรรมสามจะเป็นผู้ปทุสรายบริษัทความงามในบริษัท e. มีส <similar S 3> ี่อย่างคือ 1. ภิกษพิุผู้มีสีนมีทำงามจะเป็นผู้งามในบริษัท 2. ภิพิุณีผู้มีสีนมีทำงามจะเป็นผู้งามในบริษัท 3. อุบาสกผู้มีสีนมีทำงามจะเป็นผู้งามในบริษัท 4. อุบาสิกาผู้มีสีลมีทรงาม จะเป็นผู <Tell> ้งามในบริษัทว่าด้วยพระอคันตุกะเป็นต้นอาบัตที่ภิกษุอคันตุกะต้องภิกษุผู้อยู่ในอาวาสไม่ต้องมีอยู่อาบัตที่ภิกษุผู้อยู่ในอาวาสต้องภิกษุอคันตุกะไม่ต้องมีอยู่อาบัตที่ภิกษุอคันตุกะและภิกษุผู้อยู่ในอาวาสต้องมีอยู่อาบัตที่ภิกษุอคันตุกะและภิกษุผู้อยู่ในอาวาสไม่ต้องมีอยู่ อาบัตที่ภิกษุผู้เตรียมไปต้องภิกษุผู้อยู่ในอาวาสไม่ต้องมีอยู่อาบัตที่ภิกษุเจ้าถิ่นต้องภิกษุผู้เตรียมไปไม่ต้องมีอยู่อาบัตที่ภิกษุผู้เตรียมไปและภิกษุผู้อยู่ในอาวาสต้องมีอยู่อาบัตที่ภิกษุผู้เตรียมไปและภิกษุผู้อยู่ในอาวาสไม่ต้องมีอยู่ว่าด้วยสิกขาบทมีวัตถุต่างกันเป็นต้น ความที่สิกขาบทมีวัตถุต่างกันมีอยู่ความที่สิกขาบทมีอาบัตต่างกันไม่มีอยู่ความที่สิกขาบทมีอาบัตต่างกันมีอยู่ความที่สิกขาบทมีวัตถุต่างกันไม่มีอยู่ความที่สิกขาบทมีวัตถุต่างกันและมีอาบัตต่างกันมีอยู่ความที่สิกขาบททั้งมีวัตถุต่างกันทั้งมีอาบัตต่างกันไม่มีอยู่ความที่สิกขาบทมีวัตถุเสมอกันมีอยู่ ความที่สิกขาบทมีอาบัตเสมอกันไม่มีอยู่ความที่สิกขาบทมีอาบัตเสมอกันมีอยู่ความที่สิกขาบทมีวัตถุเสมอกั น, มาามกนไม่มีอยู่ความที่สิกขาบทมีวัตถุเสมอกันและมีอาบัตเสมอกันมีอยู่ความที่สิกขาบททั้งมีวัตถุเสมอกันทั้งมีอาบัตเสมอกันไม่มีอยู่ว่าด้วยพระอุปชาต้องอาบัตเป็นต้นอาบัตที่พระอุปชาต้อง แต่สัทธ um pues er mm ิวิหาริกไม่ต้องมีอยู่อาบัติที่สัตว์ที่วิหาริกต้องแต่พระอุปชาไม่ต้องมีอยู่อาบัติที่พระอุปชาและสัตว์ที่วิหาริกต้องมีอยู่อาบัติที่ทั้งพระอุปชาทั้งสัตว์ที่วิหาริกไม่ต้องมีอยู่อาบัติที่พระอาจารย์ต้องแต่อันเตวาสิกไม่ต้องมีอยู่อาบัติที่อันเตวาสิกต้องแต่พระอาจารย์ไม่ต้องมีอยู่ อาบัตที่พระอาจารย์และอันเทวาสิกต้องมีอยู่อาบัตที่ทั้งพระอาจารย์ทั้งอันเทวาสิกไม่ต้องมีอยู่ว่าด้วยปัจจัยแห่งการขาดพัรษาเป็นต้นการขาดพัรษาที่ไม่ต้องอาบัตมีปัจจัยสี่อย่างคือหนึ่งสงแตกกัน 2. มีผู้ภิกษุประสงค์จะทำลายสงส์มมีอันตรายแก่ชีวิต 4. มีอันตรายแก่พรหมจันทร์ วจีทุจริตมีสี่อย่างคือหนึ่งพูดเท็จสองพูดส่อเสียดสามพูดคำหยาบสี่พูดเพ้อเจอ้อวจีสุจริตมีสี่อย่างคือหนึ่งพูดจริงสองพูดไม่ส่อเสียดสามพูดคำสุภาพสี่พูดพอประมาณว่าด้วยถือเอาซัพย์เป็นต้นภิกษุถือเอาเองต้องอาบัตหนักใช้ผู้อื่นต้องอาบัติเบามีอยู่ ภิกษุถือเอาเองต้องอาบัตเบาใช้ผู้อื่นต้องอาบัตหนักมีอยู่ภิกษุถือเอาเองก็ดีใช้ผู้อื่นก็ดีต้องอาบัตหนักมีอยู่ภิกษุถือเอาเองก็ดีใช้ผู้อื่นก็ดีต้องอาบัดเบามีอยู่ว่าด้วยบุคคลควรอภิวาทเป็นต้นบุคคลควรอภิวาทแต่ไม่ควรลุกรับมีอยู่บุคคลควรลุกรับแต่ไม่ควรอภิวาทมีอยู่ บุคคลควรอภิวาทและควรลุกรับมีอยู่บุคคลทั้งไม่ควรอภิวาททั้งไม่ควรลุกรับมีอยู่บุคล ค, คลควรแสอาสนะแต่ไม่ควรอภิวาทมีอยู่บุคคลควรอภิวาทแต่ไม่ควรแสอาสนะมีอยู่บุคล ค, คลควรแสอาสนะแนคละควรในในอภิวาทมีอยู่บุคคลทั้งไม่ควรแสอาสนะทั้งไม่ควรอภิวาทมีอยู่ว่าด้วยต้องอาบัตในการเป็นต้น อาบัตท e ี่พิกษุต้องในการแต่ไม่ต้องในเวลาวิการมีอยู่อาบัติที่ภิกษุต้องในเวลาวิการแต่ไม่ต้องในการมีอยู่อาบัติที่พิกษุต้องในการและในเวลาวิการมีอยู่อาบัติที่พิกษุไม่ต้องทั้งในการทั้งในเวลาวิการมีอยู่การลิกที่รับประเค้นแล้วย่อมควรในการแต่ไม่ควรในเวลาวิการมีอยู่การลิกที่รับประเค้นแล้ว ย่อมควรในเวลาวิการแต่ไม่ควรในการมีอยู่การลิก wow ที่ร ah ับประเคนแล้วย่อมควรในการและในเวลาวิการมีอยู่การลิกที่รับประเคนแล้วย่อมไม่ควรทั้งในการทั้งในเวลาวิการมีอยู่อาบัตที่ภิกษุต้องในปัจจันตะชนบทแต่ไม่ต้องในมัชฌิมชนบทมีอยู่อาบัตที่ภิกษุต้องในมัชฌิมชนบทแต่ไม่ต้องในปัจจันตะชนบทมีอยู่ อาบัตที่พิสูจต้องทั้งในปัจจันตะชนบทและในมัชฌิมชนบทมีอยู่อาบัตที่พิกษุไม่ต้องทั้งในปัจจันตะชนบททั้งในมัชฌิมชนบทมีอยู่วัตถุย่อมควรในปัจจันตะชนบทแต่ไม่ควรในมัชฌิมชนบทมีอยู่วัตถุย่อมควรในมัชฌิมชนบทแต่ไม่ควรในปัจจันตะชนบทมีอยู่วัตถุย่อมควรทั้งในปัจจันตะชนบทและในมัชฌิมชนบทมีอยู่ วัตถุย่อมไม่ควรทั้งในปัจจันตะชนบททั้งในมัชฌิมชนบทมีอยู่อาบัติที่พิกษุต้องภายในแต่ไม่ต้องในภายนอกมีอยู่อาบัติที่พิกษุต้องในภายนอกแต่ไม่ต้องในภายในมีอยู่อาบัติที่พิกษุต้องทั้งในภายในและในภายนอกมีอยู่อาบัติที่พิกษุไม่ต้องทั้งในภายในทั้งในภายนอกมีอยู่อาบัติที่พิกษุต้องในภายในสีมา แต่ไม่ต้องในภายนอกสีมามีอยู่อาบัติที่พิกษุต้องในภายนอกสีมาแต่ไม่ต้องในภายในสีมามีอยู่อาบัติที่พิสษุต้องทั้งในภายในสีมาและในภายนอกสีมามีอยู่อาบัติที่พิสูจไม่ต้องทั้งในภายในสีมาทั้งในภายนอกสีมามีอยู่อาบัติที่พิกษุต้องในหมู่บ้านแต่ไม่ต้องในป่ามีอยู่ อาบัตที่พิสิจนต้องในป่าแต่ไม่ต้องในหมู่บ้านมีอยู่อาบัตที่พิกษุต้องทั้งในหมู่บ้านและในป่ามีอยู่อาบัตที่พิกษุไม่ต้องทั้งในหมู่บ้านทั้งในป่ามีอยู่ว่าด้วยการโจ์เป็นต้นการโจ์มีสีอย่างคือ 1. โจทชี้วัตถุสองโจทชี้อาบัตส3โจทห้ามสังวาส4ี่โจทห้ามสามีจิกรรม บุพกิจมีสี่อย่างความพรั่งพร้อมมีสี่อย่างอาบัตปาจิตตีไม่มีอะไรอื่นมีสี่สิกขาบทภิกษุสมมตมีสี่สิกขาบทการถึงอคติความลำเอียงมีสี่อย่างคือหนึ่งลำเอียงเพราะชอบสองลำเอียงเพราะชังสามลำเอียงเพราะหลงสี่ลำเอียงเพราะกลัวการไม่ถึงอคติความไม่ลำเอียงมีสี่คือหนึ่งไม่ลำเอียงเพราะชอบ 2. ไม่ลำเอียงเพราะชังสาไม่ลำเอียงเพราะหลงสี่ไม่ลำเอียงเพราะกลัวภิกษุอรัตชีประกอบด้วยองค์สี่ย่อมทาลายสงฆ์คือหนึ่งลำเอียงเพราะชอบสองลำเอียงเพราะชังสามลำเอียงเพราะหลงสี่ลำเอียงเพราะกลัวภิกษุผู้มีศีลดีงามประกอบด้วยองค์สี่ย่อมสมานสงฆ์ที่แตกกันแล้วให้สามัคคีกันคือหนึ่งไม่ลำเอียงเพราะชอบ สไม่ลำเอียงเพราะชังสไม่ลำเอียงเพราะหลงสี่ไม่ลำเอียงเพราะกลัวภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สีอันภิกษุไม่ควรถามวินัยคือหนึ่งลำเอียงเพราะชอบสองลำเอียงเพราะชังสมลำเอียงเพราะหลงสี่ลำเอียงเพราะกลัววินัยอันภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สีไม่ควรถามคือหนึ่งลำเอียงเพราะชอบสองลำเอียงเพราะชังสามลำเอียงเพราะหลง สีลำเอียงเพราะกลัวภิกสุผู้ประกอบด้วยองค์สีอันพิกสุไม่ควรตอบวินัยคือหนึ่งลำเอียงเพราะชอบสองลำเอียงเพราะชังสลำเอียงเพราะหลงสี่ลำเอียงเพราะกลัววินัยอันภิกสุผู้ประกอบด้วยองค์สีไม่ควรตอบคือหนึ่งลำเอียงเพราะชอบสองลำเอียงเพราะชังสลำเอียงเพราะหลงสี่ลำเอียงเพราะกลัว ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สี่อันภิกษุไม่พึงให้คำสักถามคือ 1. นึ่ลำเอียงเพราะชอบสองลำเอียงเพราะชังสามลำเอียงเพราะหลงสี่ลำเอียงเพราะกลัวภิกษุไม่ควรสนทนาวินัยร่วมกับภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สี่คือ1นึ่ลำเอียงเพราะชอบสองลำเอียงเพราะชังสามลำเอียงเพราะหลงสี่ลำเอียงเพราะกลัว ว่าด้วยภิกษุเป็นไข้ต้องอาบัตเป็นต้นอาบัตที่ภิกษุเป็นข red, ไ, นไนข้ต้องแต่ไม่เป็นไข้ไม่ต้องมีอยู่อาบัตที่ภิกษุไม่เป็นไข้ต้องแต่เป็นไข้ไม่ต้องมีอยู่อาบัตที่ภิกษุเป็นไข้และไม่เป็นไข้ต้องมีอยู่อาบัตที่ภิกษุทั้งเป็นไข้ทั้งไม่เป็นไข้ต้องมีอยู่ว่าด้วยงดปาติโมการงดปาติโมที่ไม่ชอบทำมีสี่อย่าง การงดปฏิโมกที่ชอบทามีสี่อย่างจจตุกะวาระจบหัวข้อประจำวาระอาบัติที่ต้องด้วยวาจาของตนอาบัติที่ต้องด้วยกายอาบัติที่หลับแล้วต้องอาบัติที่ไม่ตั้งใจต้องอาบัติที่ต้องด้วยกรรมโวหารสี่อย่างประชิกของภิกษุประชิก ข, ของภิกษุณีบริขารอาบัติที่ต้องต่อหน้าออาบัติที่ไม่รู้จึงต้อง อาบัตที่ต้องทางกายอาบัตที่ต้องในท้ำกลางการออกจากอาบัตสองหมวดได้เพศใหม่การโจดปริวาสมานัตรติเฉทะของภิกษุผู้ประพฤติมานัตพระบัญญัติที่ทรงยกขึ้นแสดงเองการเล็กที่รับประเคณยามหาวิกฤตกรรสองหมวดวิบัติอธิกรภิกษุผู้ทุศีลภิกษุผู้มีศีลดีงาม อาบัติที่พิสุอคกันตุกะต้องอาบัติที่พิสุผู้เตรียมไปต้องความที่สึกขาบทมีวัตถุต่างกันความที่สึกขาบทมีวัตถุเสมอกันอาบัติที่อุปชาและอาจารย์ต้องปัจจัยแห่งการขาดพัรษาวจีทุจริตวจีสุจริตการถือเอารั์บุคคลควรอภิวาตบุคคลควรแก่อาสนะอาบัติที่ต้องในการของที่ควร อาบัติที่ต้องในปัจจันตชนบทของที่ควรในปัจจันตชนบทอาบัติที่ต้องในภายในอาบัติที่ต้องในภายในสีมาอาบัติที่ต้องในหมู่บ้านการโจดบุพกิจความพรั่งพร้อมที่ถึงแล้วอาบัติปาจิตติไม่มีอะไรอื่นการสมมติการถึงอคติการไม่ถึงอคติพิษุอลชัชีภิษุมีศีลดีงามพิษุผู้มีควรถามสองหมวด ภิกษุที่ไม่ควรได้รับคำตอบสองหมวดภิกษุที่ควรได้รับคำถามภิกษุที่ไม่ควรสนทนาด้วยอาัติที่ภิกษุเป็นไข้ต้องการงดปาติโม